สองกับที่ก่อนนะมีข่าวเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งแต่ก็สำคัญนะขนาดสนักข่าว BBC ีนี่นำะไปเผยแพร่ทั่วโลกนั่นคือข่าวมรณกรรมของฝรั่งคนหนึ่งนะชื่อชักฟินนี่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะเเป็นนักธุรกิจนะที่ร่ำรวยมากนะไม่ใช่แค่เศรษฐีนะเป็นมหาเศรษฐี เลือพิมหาเศรษฐีเลยเงินที่เขาหามาได้เนี่ยหรือธุรกิจของเขานี่ถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็ประมาณสักสามแสนล้านได้สามแสนล้านบาทนะนี่เฉพาะทรัพย์สินส่วนตัวของเขานะแต่ว่าแค่นี้มันไม่ทำให้เขาดังหรอกหรือว่าสำคัญหรอกเพราะว่าคนที่รวยกว่าเขาสิบเท่านี่ก็มีอยู่ไม่น้อยนะ แต่ที่เขาเป็นคนที่สำคัญน่าสนใจไม่ธรรมดาจน BBC นี่ต้องเอามาประกาศข่าวเมื่อเขาสิ้นชีวิตในวัย92ปีนะก็คือเขาบริจาคเงินที่เขามีเนี่ยเรียกว่าอย่างเต็มที่เลยทรัพย์สินที่เขามีที่เขาหามาได้นี่สามแสนล้านนี่เขาบริจาคเกือบหมดนะ 99% เนี่ยของ ทรัพย์สินที่เขามีหรือที่เขาหามาได้เนี่ยเขาบริจาคไม่ได้บริจาครวดเดียวนะเขาก็ให้ไปเรื่อยๆนะนะตลอดสาสิปีที่ผ่านมาแต่นั่นยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่ากับว่าเขาทำแบบเงียบๆเงินที่เขาบริจาคที่เป็นสัดส่วนยี่9ปซนี่ก็มันก็ไม่น้อยนะคงจะไม่มีใครทำแบบเข้าได้และที่ทำแบบเข้าไม่ได้ยา น, นก็คือ ไม่เปิดเผยตัวตนนะเขแอ บ, บทำนะํำแอบบให้เงินที่เขาบริจาคเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการสามส่วนการศึกษาสุขภาพเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องสันติภาพที่ไหนที่ทําเรื่องนี้จริงจังเขาก็บริจาคเงินไปให้ทั่วโลกเลยนะฮทวีบแต่ไม่เปิดเผยชื่อนะตึกที่เขาที่สร้างด่วยเงินเขาเนี่ยมีเป็นพันพตึกนะ ในโรงเรียนในมาวยาลัยเนี่ยห้าทวีปเนี่ยไม่มีตึกไหนนะที่อ่าติดชื่อเขาเลยนะไม่มีการประกาศชื่อเขาว่าเป็นผู้บริจาคเงินหรือเอาชื่อเขาเนี่ยมาเป็นชื่อตึกนะไม่มีเลยทําเงียบๆโดยที่ไม่มีใครรู้นะจนกระทั่งเพิ่งมาเป็นข่าวหรือเป็นที่รู้จักก็สักสิบห้าปีมานีงียบจึงค่อยรู้ว่าโอยชักฟินนี่นี่ ไม่ได้จา้างเงินมหาศาลมากเขาเป็นนักธุรกิจนะที่ร่า ร, รวยจากธุรกิจร้านสินค้าปลอดภาษีโดยเฉพาะที่เราเห็นตามสนามบินเนี่ยสินค้าปลอดภาษีตามสนามบินนี่ก็เป็นแหล่งรายได้ของเขาเลยนะซึ่งตอนหลังก็ไปทําร้านปลอดภาษีนอกนอกสนามบินด้วย แต่เงินที่เขาได้มานี่เขาไม่ได้เอามาเปิดเปรตตัวเองเลยนะที่มันน่าสนใจอย่างหนึ่งนะก็คือเขามีชีวิตที่เรียบง่ายมากนะรวยมาหาศาลขนาดนี้เนะี่ยแต่ว่าไม่มีรถส่วนตัวนะไปไหนก็นั่งรถรถไฟรถไฟฟ้าใช้บริการสาธารณะนาฬิกาที่เขาใช้เนี่ยนะราคาแค่สิบห้าเหรียญ น, นะก็ประมาณสักห้าร้อยบาทน ราคาถูกๆนะนึกภาพนะเศรษฐีเมืองไทยนี่หรือนายทหารรัฐมนตรีนี่นาฬิกาในเรือหนึ่งเนี่ยเป็นล้านนะสิบล้านร้อยล้านยังมีเลยนะแต่ว่าชักฟินี่ใช้นาฬิกาเรือละห้0รอบาทยี่ห้อคาสิโอนะก็บอกว่านาฬิกาเนี่ยมันแพงเท่าไหร่มันก็เหมือนกันะคือดูเวลาได้เที่ยงตรงเหมือนกัน ไม่มีรถส่วนตัวนั่งรถไฟฟ้ารถโดยสารลูกนี่ก็ให้ทำงานนะให้ทำงานหาเงินแล้วก็ให้รู้จักช่วยตัวเองเสื้อผ้าที่เขาสวมนี่ก็เสื้อผ้าปอนๆง่ายๆไม่มีใครรู้นะว่าเขารวยมหาศาลนะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเสียชีวิตเนี่ยมันก็เลยเป็นข่าวเพราะว่าคนแบบนี้นหาได้ยาก และชีวิตเน่าสนใจอย่างหนึ่งนะเขาก็เป็นแบบอย่างนะของธรรมะที่รว่าสันโดดนะสันโดษเนี่ยนะมันไม่ไแปลว่าอยู่คนเดียวนะมันในพุทธศาสนาสันโดดแปลว่าพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้โดยเพราะได้มาโดยชอบธรรมได้เท่าไหร่ก็พอใจไม่เว้ยไว้ไม่ตีโพยตีพายว่าน้อยไปนะ จะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นเงินทองจะเป็นอาหารจะเป็นที่อยู่เสนาสนะที่ได้มาก็ยินดีสิ่งที่ได้มาโดยเพราะได้มาโดยชอบทำและอประการนึงคือว่ากินน้อยอยู่น้อยรูป้ประมาณในการบริโภคอันนี้ก็เป็นลักษณะนหนึ่งของสันโดษ น, นะและเมื่อกินน้อยใช้น้อยนะไอความจําเป็นต้องหาเงินมา สนองความต้องการก็เลยน้อยไปด้วยแต่สัญตัวไม่ได้แปลว่าเมื่อกินน้อยใช้น้อยแล้วเนี่ยก็จะหามาเท่าที่ต้องการเท่าที่จําเป็นนะไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวนะบางคนไม่เข้าใจว่าเนี่ยเมื่อฉันกินน้อยใช้น้อยเพราะนั้นฉันก็ขนไขยในการหามาหรือทํางานให้น้อยลง แต่ก่อนนี่ต้องการใช้เงินเดือนละ5 0 0หมื่นแสนหนึ่งก็ทำงานทั้งเดือนแต่ตอนนี้ฉันเริ่มมาอยู่แบบเรียบง่ายแล้วห0าพันก็พอเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องทำงานทั้งเดือนก็นนะทำงานแค่เดือนละ 3-4 ี่วันก็พอกินละได้เวลาที่เหลือทำอะไรนะหลายคนคิดว่าเวลาที่เหลือก็นั่งนงนอนๆอนอย่างนี้ไม่ใช่สันโดษ น, นะ เพราะว่ามันเสี่ยงต่อการอยู่แบบเกียจคร้านไอการที่เราใช้น้อยกินน้อยเนี่ยดีแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องทํางานน้อยลงอาจจะทํางานเหมือนเดิมหรือทํางานขยันขันแข็งแต่ว่าไม่ได้เอาเงินที่ได้เนี่ยมาใช้ปนเปื้อนตัวเองสันโดรนี่ถ้าปฏิบัติผิดนะ มันเกิดสิ่งที่เราวิบัตินะวิบัติคือเกิดโทษก็คือความเห็นความขี้เกียจความเฉยเหนื่อยก็ในเมื่อจำเป็นต้องหามาความจำเป็นในการหาเงินเนียเพื่อมาเลี้ยงตัวมันน้อยลงก็เลยมีเวลาเยอะขึ้นพอมีเวลาเยอะขึ้นเนียหลายคนก็คิดว่าก็นั่งๆ น, นอนๆแล้วกัน อันนี้ก็เป็นสันโดษที่คนไทยจำนวนมากเข้าใจแล้วก็เลยทำให้คนที่ไม่รู้จักพุทธศาสนามองว่าสันโดษเนี่ยมันทำให้คนขี้เกียจขนาดจอมบนสลิดเนี่ยตอนปฏิวัติเมื่อปี2503เนี่ยจะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนายุคใหม่เนี่ยถึงกับบอกพระขอร้องพระทั่วประเทศว่าให้เลิกสอนสันโดษ พอสันโดษทําให้คนขี้เกียจทําให้ไม่กระตือรือร้นที่จริงสันโดษเนี่ยในนามพุทธศาสนานี่มันต้องมาพร้อมกับวิริยะนั่นคือความเพียร น, นะกินน้อยใช้น้อยหาเงินหาทองมาปนเปรื้ตัวเองน้อยลงนี่ดีแล้วแต่อย่าขี้เกียจยังขยันขันแข็งทํางานต่อไปเพื่ออะไรนะก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะอย่างชักฟฟนีเนี่ยเขากินน้อยใช้น้อยนะแต่เขาหามาได้เยอะมาก แล้วกขก็ขยันทำงานไม่หยุดทำงานนะเพื่ออะไรน ะ, ะส่วนหนึาก็มีความสุขจากการทำงานส่วนหนึ่งเขาก็เห็นว่าไอ้เงินที่เขาหามาได้เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ที่ลาบากเพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อส่งเสริมสันติภาพใช้น้อยก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้ทำงานน้อยลงนะยังทำงานยังขยันขันแข็ ง, ขงเพื่อเอาเงินเนี่ยมาช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้ก็ตรงกับ คำสอนของพุทธเจ้าที่ว่าสันโดต้องคู่กับวิทยะความเพียรยังขยันทํางานอยู่นะแต่ไม่ได้ทํางานเพื่อหาเงินมาปนเปนืป้อนตนแต่เพื่อไปช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นชาวชาวไทยสมัยก่อนสันโดตก็นําไปสู่การทํางานเพื่อเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือศาสนาช่วยสร้างโบวถสร้างวัดบำรุงอ๋อสมณชีพราหมณ์ ตัวเองใช้น้อยนะแต่ว่าช่วยเหลือคนอื่นมากอย่างอนถาถพิณทิกะเนี่ยใช้น้อยนะแต่ว่าเงินที่ได้มาเนี่ยทรัพย์ที่มีนี่เอาไปใช้เพื่อส่งเสริมรศาสนาหรือไม่เช่นั้นก็เอาเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยไปปฏิบัติธรรมในเมื่อไม่มีความเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็ได้เวลาต้องมาฝึกฝนตนพัฒนาตนปฏิบัติธรรมไม่งอมืองอเท้า จนการเป็นขี้เกียจซึ่งเป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะงั้นสันโดรเนี่ยถ้าปฏิบัติผิดนะมันก็นําไปสู่ความขี้เกียจความเกลียดคร้านแต่ถ้าปฏิบัติสันโดรถ้าปฏิบัติผิดเนี่ยนะมันนําไปสู่ความขี้เกียจความเกลียดคร้านแต่ถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยคือมีความขยันมันก็ทําให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมหลายอย่างมากมายแล้วก็สร้างประโยชน์ส่นตนด้วยและที่น่าสนใจหนึ่งนะการที่ ชาฟิเนมีเงินเยอะเนี่ยแต่เขาไม่เอามาปลเปิดตนไม่เอามาใช้สร้างชื่อเสียงเนี่ยมันน่าคิดว่าเําได้ยไงนะจะทําได้นี่นต้องมีความสุขแบบใหม่นะเป็นความสุขที่ไม่พึ่งพาวัตถุไม่หอยหาความสุขจากเงินทองสิ่งเสพหรือชื่อเสียงคนเราจะทํานี้ได้เนี่ยมันต้องมีความสุขที่ดีกว่ามาแทนที่ นั่นคืออะไรนั่นคือความสุขจากการทำงานความสุขจากการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นพอมีความสุขแบบนี้มาหล่อเลี้ยงใจแล้วมันก็ไม่หวยหาความสุขจากวัตถุหรือการมาสุขเท่าไหร่ไม่คิดจะเอาเงินทองมาปนเปนื้อนแต่ว่าเอาเงินทองไปช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเท่าไหร่มากเท่าไหร่ก็มีความสุขมากเท่านั้นนันคนอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ไม่ใช่ชาวพุทธนะแต่ว่าก็เป็นแบบอย่างของชาวพุทธนะคือนอกจากเป็นแบบอย่างของสันโดษ ในพุทธศาสนาแล้วก็ยังเป็นผู้ที่เข้าถึงความสุขประณีตไม่พึ่งพิงความสุขจากวัตถุหรือการมาสุขบางทีอาจจะทําได้ดีกว่าพระเิกนะเพราะพระจํานวนไม่น้อยนี่ก็ยังติดในเรื่องของการมาสุขอยากความต้องการความสะดวกสบายนะต้องการต้องการสิ่งเสพเข้าของเครื่องใช้ราคาแพงนะแต่ชาวฟินนี่นี่ไม่สนใจเลยเมินเลยนะเพราะเขามีความสุขอย่างอื่นมาแทนที่นะคือความสุขทางใจ